ร้อนนปิดพัดลอ <c oughs> มอ่อนอากาศมันร้อนหน้าฝนมันก็ต้องร้อน <c oughs> <c oughs> มันเป็นร้อนไม่เป็นไร คนประตู้างหลังม่นก็ได้ยินเสียงเสียงเบาเสียงไม่ชัดมาเร่มต้น เรืนต้นตคว่าจักตัวตนของเราเขากตัวตนกรูปร่างกายสังขารสังขารมีสามอย่างคือกายสังขารวิจิรสังขารมโนสังขารนีคภาวาสังขารคั้งต่เราไม่เข้าใจครบทั้งสอย่างจัต้กัน ก็เชื่อไม่เข้าใจสังขารจึงเรื่องนี้เราพูดไปเมื่อเช้าจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาตัมราภาษาบาลีก็อย่างเนี้ยก็จะเรื่องอย่างนี้ไปเขาออกกายกันก่อนกายสังขารคือปรุงแต่งเรื่องกายพูดยังไงเมจีสังขารก็ปรุงแต่งเรื่องวาจา โมโนสังขาร น, นิจัยรวมๆเป็นคือม่ได้คิดไม่ได้นี่คือาวา่าสังขารทั้งสามทีนี้คนจะสุขจะทุกข์เ <c oughs> ด, ดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็เพราะสังขารทัง้งสามสังขารทั้งสามอย่างมันตั้งอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในคันห้างนะมันอาศัยคันห้างอยู่คือบ้านของมันมันเป็นที่อยู่ของมัน เพราะฉะนั้นเราจงจะเป็นต้องเข้าใจขันห้าให้ละเอียดหลออ่อคนอื่นเราต้นกำว่าขันคันะทะอินบวกรุว่าไปตามที่เราโสดนี่นแหละ <c oughs> สวดแม่แผ่แ ม, ม่ตาม ขันห้าขันสีและขันหนึ่งมีแค่นี้ขันในบรรดาสงสารนึ่งมีแค่สํา ค, คันขันห้าคือมนุษย์สัตว์และสาเคือบายเลาเก็ได้งไงอันนี้คือขันห้าขันสี่ก็เหลือแต่สีตัวอันนี้หมายถึงรูปองคมหมายถึงรูปภงผม โลดังรูป้วยถ้า <c oughs> พูดยงานก็นคือผู้ที่ได้ชานประชานสี่รูปประชานกับรูปประชานเป็นแปด <c oughs> อันนี้คือขันสี่ส่วนขันหนึ่งนั้นคือผู้พรมเรียกว่าอาศันยิบผมพุณนี้อาศัยสัญญางเดียวเคยเป็นสัญญาณละเอียดทีนี้ เราเจะอยาออกเข้าใจแล้วว่าขันมีสอย่างก็คือห้าสี่หนึ่งถ้าเหลือสีเมื่อไหร่ทำอะไรไม่ได้ก็ไปแค่ไปสเสวยแค่รู้แต่เขามีรูปอยู่ไม่ใช่มีแค่เวท น, นาญาติขาระมือเขามีแต่ว่ารูปนั้นเป็นรูปอย่างเอียดระันคำว่าข้าแรกคือรูปในที่ในขันตั้งห้าตัวแรกคือรูป รูปก็คือรูปหยาบอย่างพวกเราเนี่ยถือว่ารูปหยาบตู้มเอ็นรูปขาวรูปอะไรเนี่ยรูปรูปโลนแต่ก็ถือว่ารูปหยาบประตูหยาบมากรูปกลางกลางการที่เกิดจากการนึกคิดปรุแต่งขึ้นมานม่มีตัวมีตอนเกิดจากการจินตนาการรูปละเอียดนหนักเลยรูปละเอียดคือรูปประชากับรูปประชัน ที่นก็ะเอาไว้ทำไมถึงมีรูปทําไมถึงเกี่ยวข้องกับรูปแม้แต่รูปบุคคก็ดีรูปบุก็ดีทําไมถึอบอกเกี่ยวข้องกับรูปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทนาสัญญาสกาันมิญญาสี่ตัวมันมีใค่ชื่อมันจําเป็นต้องมีที่เกาะจําเป็นต้องมีที่ตั้งจำเป็นจะมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างเราเรามาถึงมนุษย์สัตว์ โชคดีคือมันมีครบมีทั้งรูปเวทนาสัญญาณต่างทั้ง5าตัวเนี่ เ, เรื่องเราเรื่อเราขันข้างมีห้าตัวครบเลยมีทั้งรูปเวงนานส่วนความแตกต่างไม่ใช่เขาพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องรู ป, รรปอย่งางรูปของพวเรารูปจัตญาณรูปจยาก็ดูไ ด, ด้เดียวตาเนื้อตาหนังตาธรรมดา ผลของการเห็นรูปเป็นอย่างไรเองสี่ตัวมันทําหน้าที่ไม่เกี่ยวกับตัวแรกละสี่ตัวก็คือเวทนาสัญญาณของขันธ์วาณเวทนามันสวยเวทนาแปลว่าสวยคือสวยสิ่งที่มันเห็นนละเส้นตาเห็นรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้ ข, ขึ้นมาตาเห็นรูปเมื่อเห็นเสร็จแล้วความรู้สึกที่มารับมาอารมณ์ เรามาณ a อารมณ์เคยมันรับเข้ามาแล้วผมก็่รับเข้ามาเป็นอย่างไรคือขั้นตอนงกันก็เกิดชอบไม่ชอบเฉยเฉยแต่ความที่เราสติเราไม่ เ, มเข้มแข็งเราไม่พอเราจะไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้ทันทียกเว้นคนที่ฝึกบ่อยๆคุณที่ฝึ ก, ยกเยอะกว่าตาให้รลูกทุกทุกชอบไม่ชอบกว่าจะรู้โอมันชอบเพราะอย่างนี้ไม่ชอบเพราะอย่างนี้ แต่ก็มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตากับรูปละแต่แยกออกจากกันก็ที่เหนเ็นเรื่องของตาที่รูปก็เป็นเรื่องมันปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรก็นแล้วแต่แต่ส่วนที่ตา ม, มาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งทนะัาน์นั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราไม่สามารถที่แยกแยกออกไปได้เพราะสติเราไม่เข้มแข็งพอแต่นึกไม่ได้นึกไม่ออกสุดท้ายเราก็หลงโมหะ มันก็ไปตามถ้าพอใจแล้วยินดีมันก็เกิดความสุขะคือชอบคือสบายแต่เห็นแล้วไม่พอใจ ก, ก็ทุกข์คือไม่สบายคืออดขัดเคืองไม่ชอบเร็ ว, วทุกข์สุดท้าเห็นแล้วมันวางอารมณ์เฉยมันน้อยมากมันน้อยมากมากอันนี้คือกรรมเวทนา แต่เราจะอยู่กับพกนี้อย่างไรเราในท่นี้หมายถึงจิ ต, ตเพราะเราต้องแยกออกว่ารูปนามและตัวที่ไม่มนครอบงำรูปนามมันคือจิตถ้ามันมีสิ่งนี้มันเกาะสี่ตัวมันเกาะอะไรไม่ได้เพราะจิตออกจากร่างสี่ตัวมันก็ไปตามมันดับไปอย่างตัวเพราะมันมีที่อยู่วันสี่ตัวนะไม่ต้องอาศัยรูปอยู่สี่ตัวคือเวทนาัญญาธรรม พูง่ายๆก็คือผู้อาศัยเขาอยู่ไม่มีบ้านของตัวเองมันออกไปแล้วมันต้องไปสร้างบ้านใหม่หาที่เกาะหาที่พึ่งหาที่ตังค์อันนี้คือขั้นตอนหรือกระบวนการของกายกับใจทตนี้ถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการนั้นเรื่องกาย ก, ากาับใจกับน้ำเนี่ยมัมมามานเป็นโมหะโมหะมักจะทำหน้าที่กับมันหลงมัวเมาเพื่อเพลินในสิ่งเหล่านี้ ก็ ร, รู้เท่าไม่ถึงการพอใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหยาบกลางละเอียดมันก็ตามเราไปอารมณ์ข อ, องคนนี้อจิตของเราเป็นกลางมากกวกลางตามมาด้วยจีตด้วยละเอียดกิเลสมันก็ละเอียดถามเข้าไปด้วยนะจนติดจนคล้องรวมทั้งรูปฌานอรูปฌานแม้กระทั้งอสานอีพรมหรือว่าผมก็ยังถือว่าติดยังถือว่าคล้องอยู่คือยังวางไม่ได้ แม้ก็อยู่ได้นานแต่วางไม่ได้วันนั้นผู้ที่จะวางได้คือพวกที่มีกันห้าครบก็คือพวกเราเนี่แหละผลโลกของพวกเราจริโชคดีมากที่มีกันห้าคนอื่นก็มีกันห้าเห็เราเป็นรูปเป็นร่างก็จริงแต่ว่าสติของเรา น, รนั่นล่มันมีเข้าไปพิโสวยถ้าพูภาษาเราง่ายคือเหมือนถ้าเราฝันนั่นแหละจริงอยู่เราเห็นรูปเห็นคนนั้นคนนี้คนโน้นเห็นอดีตเห็นเราก็เห็นปัจจุบันรู้เรื่องหมด แต่ว่าเวลาตื่นนะี่คือว่าเวลามีสติเราจะพูดยังไงเวลาสติมันคลองร่างเมื่อไหร่โอมันไม่ใช่แล้วมันคนเด็ที่ผ่านมาทั้งหมดสามช่งสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงที่ผ่านมามันไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องนั่นคืออีมิติหนึง่งระบบพบภาวะหรือว่าภาพอันเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่เราก่อนจะมาเป็นเกิดก็คือชาตาิหรือว่าชาติเพาตัวนี้แหละสิ่งที่เรามาจะถามว่ามาจากไหน ก็ามาจากพบนี่แหละมาจากรู้รพบกับรู้รพบ พ, บ พ, บพบูดง่ายคือกามาพบรู้รพบกับรูปกพบสิ่งที่เรามาสิ่งเรามาถึงใจมุ่งไปที่ใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างกายสังขารมันไม่เกี่ยวกันเพราะร่างกายสังขารนั้นมาชั่วคราวคือมาอาศยัยโกาสพูดง่ายก็มาสิ่งสิ่งในร่างกายในชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วมันใช้มานไดมันอยู่มัได้มันก็พังมันก็ไปกันแล้วนะ แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างยึดว่าเป็นของของเราเป็นบ้านเราคือร่างกายสังขารอันนี้มันก็เกิดอุปาทานอันนี้คำว่าอุปาทานมันยึดเอาว่าเป็นของของเราทาให้เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นสมบัติของเราอย่งเรว่าอัตตาคือมีตัวมีตนแท้ที่จริงแล้วเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของใครของเราของเขาทั้งนั้นเลยมันของอยู่บนโลกใบนี้เราก็เกิดมาสลับกันไปสลับกันมา ไม่รู้กี่พักพิชาติแล้วอันนี้คืเรารู้จักเขารูปเวทนาสัญญานี่ก็เช่นเดียวกันแม้แต่พมเขาก็มีเพราะอาศัย ญ, ญี่ปมก็คืออาศัยโดยสัญญานี่แหละที่เขาจําได้มารู้แต่พันยายเกิดจากการอธิษฐานพรมเขาอยู่แล้วเดยกันอธิษฐานขันศีลถ้าง่ายก็คือเทวดาถ้าเขาเ้าใจง่ายๆ่ายก็เทวดา ก็ได้แต่ไม่ใช่ประเภทเดียวนะว่าเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่ไงสําเร็จได้ยังไงสําเร็จด้วยจิตคิดอย่างนั้นจะกินข้าว่ะอิ่มแล้วเด็กเสีกามเขายังมีกามอยู่นะยังไม่พู้จากกามก็สําเร็จแล้วเพียงแค่คิดคิดนึกคิดแต่พรมนะอธิษฐานมันต่างกันเขาใช้เวลานอยู่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยจนกลายเป็นโมหะกลายเป็นหลงหลงรูปวันนั้น แม้แต่อยู่กับที่ว่างๆหรือยวสุญญากาศก็เชื่อว่ามหะคือโลงแต่เขาอยู่ได้ยังอยืนอารมณ์อย่างนั้นเป็นมุ่มงกลับไปที่เราเอีกเมื่อเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเสร็จในขณะที่นั่งสมาธิอุปจาระคณิกะหรืออัปปนาก็รรมคณิกะคือมาช่วครั้งอยู่ขคาวบู้บ้าบู้บ้าอย่างเช่นวสะพงศ์เงาหอนอนนีเรียกว่าคณิกะแต่แ ค่เพียงคณิกาในเองสมบัติเราง่วงถ้าจะหลับไปสักนิสับปะตื่นขึ้นมามันสดชื่ น, นจิตมนันไะด้พักแนะนั่นคือสภาวะจิตจิตแต่จริงแต่เรายังเข้าไม่ถึงพอเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็ะถอนออกมานะเป็นคณิกาที่เรียกว่าคณิกาเป็แบบชั่วคราวชั่วปเดี๋ยวประดาวนิดเดียวแต่อ น, นิสงส์มันโอมันสดชื่นสับประรดนิดเดียวเราตื่นมาอ๋อมันสดชื่นเห็น ไ, ไหมแค่คณิกานะอุปจระเข้าไปใกล้อีกกวาหมาย เข้าไปใกล้กันนั่นเองอันนี้มีสติคือรู้ไม่จะเป็นภาพเป็นรูปเป็นเสียงเรวนิมิตมันก็จะรู้อยู่รู้แล้วเกิดจากสตินั่นแหละถ้าสติไม่มั่นคงมันก็ไม่เกิดคาว่าไม่เกิดหมายก็ว่าจิตมันมั่นคงมันก็ไปอยู่ที่จินตนาการกลับมาที่จิตที่สมองเหมือนเดิมมันไม่เห็นภาพตัวนี้มันก็เกิดมันก็มันก็มีวิธีการของมันคือมันโนคือใจนั่นแหละ มนโนภาพมันก็ด น, นืกเอาเองคิดเหมือนที่เราคิดนี่แหละเหมือน ล, ลืมตาเราคิดไปดเหื่อยตาเห็นรูปมันก็ชิดปรุงแต่งไปเป็นสังขารมันทําหน้าที่ปรุงแต่งไปอุปจาระ <c oughs> มันมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างมาก <c oughs> อุปจาระตอนนี้เรามีแต่ยังก่อนเกิดปัญญาต่ออุจาระต้องสมีสติสติครอบงําที่ควบคุมอยู่ ส่นอัปปนานั้นเหมือนกับคนอนอนหลับเลยมันลงกข้าไปลึกเสุดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเย็นดอนอ่อนแกนของตกผ้ารองข้างนอกไม่รู้เรื่องจิตมันมันไม่ไม่ออกไปข้างนอกคือไม่นอกกายมันลงไปลึกมากนั่นคือฐานแต่มันออกมามันออกอยังไงมันก็ออกในธรรมชาติของมันเพราะนั้นวิธีฝึกก็คือเราต้องเข้าใจสามการตอนคือเก่าปัญญะและอัปปนา那น เขาใจก็คือหมายก็ว่าก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้คือทางเข้าเหมือนแล้วเข้าบ้านเข้ายังไงออกยังไงเหมือนเข้าวัดอันนี้เข้าประตูวัดเข้าทางไหนออกทางไหนเหมือนกันจิตที่มันจะเป็นมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันเข้าไปยังไงเช่นเรคาคำนดอะไรในะขณะนั้นบริกรรมอะไรทําสิ่งนั้นนี่มันชํานาญเื้องต้นจะไปใจร้อนยังไม่เป็นอะไรจะไปคิดนึกปุ่มแต่งอื่นกลายเป็นปสนึกไป แทนที่เกิดที่ปรัชนาการมีปรัสนึกคือนึกเอาเองกลายเป็นสังขารนั่นแหละคับมาที่สังขารเหมือนเดิมคือปรุงแต่งเหมือนเดิมแต่คนที่จะปรุงแต่งให้ตัวเองสบายมันไม่มีปรุงแต่งครับมันมีสามเรื่องคือเรื่องเก่าเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตแค่นี้แต่ในขณะที่มันปรุงอยู่ในเรื่องกับมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเก่าคุณสติมันนึกไม่ได้มันก็ไปผสมเรื่องเก่าเรื่องแก่มันหมดมันพ้นไปแล้วจิตมันก็อยู่กับเรื่องอย่างนั้นแหละ ต่ถ้าทีนั่งอยู่ก็ดีนนอนอยู่ดีเดินอยู่ก็ดีแม้แต่เดินมันก็ยังคิดเหมือนเดิมกระดับขึ้นไว้ไปมาแท้เลยมันมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมหมดไปแล้วเเรียกว่าอดีตเวทนาที่ไหนอดีตเวทนาก็มีสารูปเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นปัจจุบันอนาคตมันต้องพูดถึงเพรยังไม่เกิดกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรกํหนดลมหายใจเรื่องคำบริกรรมเหมือนเดิม เข้าออกเข้าออกเข้ายังไงออกยังไงเข้าไปแล้วต้องไปลายจมูกกลางศาีรษะหน้าผาก ล, งลงองลำคอหัวใจท้องจนท้องมป่องออกมาแต่ว่าในกำหนดในขณะเดียวกันเรียกว่าขณะจิตต้องกำหนดเร็วเรงแรกอาจจะช้าไม่เป็นไรให้เรากำหนดให้มันรู้ตัวชา้าช้าไม่เป็นไรกำหนดลมให้เจ็บอันเรียกวราหยาเรียกว่าลมหยางกำหนดลมไปไล่กำหนดลมให้มันให้มันรู้ตัว พอสู่ใจเข้ามันก็จะรู้ตัวทั้งเนือทั้งตัวทั้งพร่องพร่ปุ่งทั้งปอมันรู้หมดพอหายใจเข้ามันไปที่ไหนก็สังเกตในขณะที่หายใจเข้าเหมือนกับเรากั้นเราม่หายใจสังเกตดูเหมือนมันไม่หายมันกั้นหายใจทีแล้วมันก็จะออกมาอันนี้ธรรมชาติกันเข้าออกของมันมันเป็นอยู่อย่างนี้ของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเดีวประเด็นคือสติเราไม่มีสติกํากับสิ่งเหล่านี้เราเลยไม่รู้กระบวนการกันตอนมันเข้าตรงไหนออกตไหนไปทรงไหนไปตรงไหนมันไปอยู่ที่ทางขานเห็น มันไม่อยู่กับลมหายใจมันก็อยู่ที่สังขารคือเป็ปรุงอะไรกันไม่รู้ส่วนลมหายใจเขาหายออกมันก็ตาหน้าที่ของมันมันเขาออกเขาออกอยู่แล้วถึงเราไม่กระโดดมันก็เข้าออกก็ออกอยู่แล้วนี่กันเข้าออกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็หายใจเร็วบางคนก็หายใจช้าคือมันไม่เหมือนกันแม้แต่หายใจก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หายใจออกหายใจทีในเปริมาณปกติทําไมต้งมีลม คับแต่คง่ายถ้าไม่มีลมคือไม่มีชีวิตลมเป็นตัวประสานทําให้เลือดลมทั้งหลายอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรามันสามารถทำหน้าที่ปกติก็มันสูบฉีดวิ่งไปวิ่งมาคือตัวประสานเหมือนน้ามันรถไม่มีน้ำมันมันวิ่งไม่ได้ลมก็เช่นเดีวยวกันทําหน้าที่ของมันโดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นว่าคืออย่าไปตึงอย่าไปแข่งอย่าไปหย่อน คือหายใจให้เป็นธรรมชาติทั้งใจปกติให้เป็นธรรมดานี่คือสิ่งเราต้องฝึกแรกๆแล้วก็ให้รู้ต้องความรู้ว่าอันนี้มันหยาบนะนีการนี่นละเอียดจนสุดท้ายคือหายหายแต่ไม่สติลมหายใจเป็นเข้าถึงใจจะเ ก, กิดตัวรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงก็มักคำพูดอยู่เสมอว่าพูดเสมอว่าถ้าให้เราเนกะารู้ตัวจึงเ ก, กิดตัวรู้คนอื่นทําให้เรารู้ตัวด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ คือให้มีสติให้อยู่กับตัวให้วิ่งก็หาตัวก่อนอย่งนั้นสติปัญจะอยู่ข้างนอกคือความรู้สึกตัวคิดคุณแต่งมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ในตัวเมื่อมาอยู่ข้างนอกมันอาศัยอะไรไม่ได้เหมือนตอนนี้เราออกจากบ้านไปแล้วนะเราไม่อยู่ในบ้านให้มันอยู่ในบ้านก่อนคือร่างกายแต่แล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาให้มันรู้เท่าทันสิ่งที่เป็นเป็นเหตุปัจจัยที่เปนกัลปนั้นไม่แต่รูปก็ตามเวทนาก็ตามสัญญาท่าสังขารมีอย่างก็ตาม แต่เราตัวให้เข้าใจสุดท้ายก็แ ย, ยกออกนี่เป็นรูปนี่เป็นนาวันนี้เป็นสูตรนี่เป็นทุกข์แล้วก็วางสิ่งทั้งหมด ท, ทํำไมที่วางกันได้เพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่วางวันนี้อนาคตมันก็เป็นอย่างนี้นะมันนี่เคยอยู่กันนี่ตลอดไปตลอดกับตลอดกาลมันก็ย้ายที่ย้ายเวลาย้ายสถานที่ไปจิตของเราก็ออกกระรางมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกทำความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเมื่อจิตมันจะออกกระรางซึ่งเราก็รู้ว่าพูดยังไงคนลังจะตายไม่มีใคยช่วยเราได้นะ ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดม่เคยจะไม่เคยกําหนดเลยโัวอีกเพกืลมหายใจสําคัญมากมากเพราะลมหายใจอันเนี้ยอื่นๆถ้าลมหายใจดับคือดับหมดเลยอื่นมันก็ดับดับก่อนดับหลังไปตามตัมประแจ่มมันเช่นตาเช่นหูนี่เป็นต้นอื่นๆแต่ว่าลมเนี่ยถ้ามันดับก็ดับแท้ทับเลยธาที่มีอยู่ด่นน้ําไฟลมดินก็คือมันมันมันธรรมชาติของมันอยู่แล้วนน้ํา ถ้าไม่มีลมมันก็อยู่ไม่ได้ให้มีตัวกรสามันก็จะไหลออกมาดีนะไฟไฟก็เหมือนกันถ้ามีลมขับเคลื่อน่ะไฟมันก็จะดับมันก็เย็ น, ยนเพราะนั้นคนตายเย็นๆเพราะไม่มีธาตุไฟธาตุไฟมันอ่อนเพราะนั้นคนเราไปจับดูว่าตัวเย็นแล้วนั่นคือตายคือจิตออกจากร่างพูดย่ายๆในขณะจิตมันไม่ได้คลองร่างแล้วก็แปลว่ามันไม่มีสติแล้วคนคนนั้นไม่มีสติแล้ว ปูดง่ายคือปราศจากสติแล้วอืะท่านนีงบอกว่าอาเปตะวิญญาณนูปราศจากวิญญาณแล้วมีรถทางวะกลิ่นกำลังก็ปราศจากประโยชน์อิประโยชน์เห ม, มือนท่านไม้ท่านฟืนไอ้คืนมีคําที่เป็นพระท่านช่างปางสกุลอรจยาภัสังคาร า, าจะเราวตย่างกายูความหมายอันนี้เนะถ้าจะบอกว่าโอ้จิตนี้มันออกจากร่างแล้วปราศจากแล้วร่างกายเนะี่ยมันก็เหมือนท่านไม้ท่านฟืน เราเวลาปลูกพังย่อยสลายไปตามกาลเวลาคือร่างกายของเราตรงนี้ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมันจะเป็นอุปทานที่มาความยึดกวถือแต่ตอะนั้นเบื้องต้นเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วพิจารณาให้เข้าใจตั้งแต่เรื่องตั้งแต่รูปให้ละเอียดเลยตั้งแต่ขันขันหนึ่ัน4กัน5มันแตกต่างกันอย่างไรแล้วให้เห็นคุณและโทษของขันห้านี่คุณก็คือถ้าเรามีขันห้าอย่างน้อยที่สุดคือ ยัดได้เปลี่ยนก็พวที่มีขันสี่กัขนหนึ่งขันสีข่ขันหนึ่งไปสฉบ อ, อย่างเดียวนะทอะไรไม่ได้ทำมือผู้รอไม่ได้ก็แปลว่าไม่สามารถที่จะละถอนปล่อยวางได้ขันนั้นได้มันก็ไปไกลไม่ได้แต่เรานด้เพียแต่เรายังไม่เข้าใจธาตุสีข่ขันห้าอันนี้โดยละเอียดจะกลายเป็นเราการเป็นของของเราไปหมดการเป็นอุปทานยึดถือเป็นกั้นภาวนาคือต้องการให้อย่างน้อยคือลดละ แล้วก็หมดไปก็ค่อยปลดก็ค่อยปล่อยก็ค่อยวางทีละเรื่องทีละวันวันนี้มันวางไม่ได้ปัญหาประวัละทีละนิดทีละน้อยก็ค่อยวางก็ค่อยปล่อยปล่อยทีเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆไปก็ค่อยทําปล่อยเรื่องควาคิดไม่ได้ปล่อยเรื่องคำพูดก็ยังดีปล่อยเรื่องคำพูดไม่ได้ปล่อยในพฤติกรรมก็ยังดีเพราะว่าสามอย่างนั่นคือกรรมความคิดคำพูดการกระทาก็มาเกี่ยวข้องกับคันห้าอยู่ดี เพาะสิ่กิดจากการคิดความคิดเกิดจากอะไรสมองคิดปรุงแต่งดูสังขารปรุงยังไงปรุงยังไงที่มันสบายไม่สบายดูเฉยๆถ้ามีสติวบคุมก็ไม่รู้คิดอยู่นันถ้ามันเป็นความทุกข์ก็คิดอยู่นั้นคิดแต่มันทุกข์ก็คิดอยู่นั้นเพราะไม่มีสติปัจจายาสติไม่มีสติเหนืสังขารเกิดจากความคิด ถ้าเราคิดดีคิดในทางที่ดีหมายว่าคิดในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองคิดในทางบวกคิดในการที่เป็นกุศลคือฉลาดคือฉลาด ค, คิดคำกุศลมุ่งไปที่ความฉลาดนะไม่ได้เกี่ยวกับบุญกับบาปนะแปลว่าถ้าคนฉลาดแก่งจะไม่ทําอะไรมาโง่โ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง่คนฉลาดอย่างเช่นเรารู้ว่าไฟมันร้อนอันนี้ทุกคนรู้หมดแต่ถ้าคนจับแล้วไฟมันร้อนเป็นยังไงไม่ต้องไปถามใครแล้วก็จะรู้ดูดัดูมันเอง จะจับอีกไหมถ้าจับอีกก็ช่วยไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วไฟมันร้อนคุณจะไปจับเป็นขีมหรือไปป้อนเข้ปาปากอยู่นี่ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าพอ ร, รู้อย่างนี้ไฟมันร้อนนะก็จะเอาเข้าตัวไมเขาเข้าปากจะไม่จับไม่แต่ไม่ต้องจิตที่มันฉลาดแล้วมันจก่เป็นอย่างนี้รู้ว่าอันนี้มันบาปนะมันก็จะไม่คิดไม่พูดไม่ทําทั้งสามอย่างเลยทั้งความคิดทั้ง ก, รงการกระทานะ่นี่นนคืออาณสงฆ์กับจิตที่ฉลาดจิตที่มีปัญญาจิตที่มีสตสิสัพพัญญสมบูรณ์บริบูรณ์ จิตคามผู้ถูชนไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่ไม่เขามีแต่น้อยคือสมบัติของผุ้ถูชนถามว่าก็เรื่องธรมธรมดาธรรมดาหรือปกติปกติกตไม่เชื่อไม่ชื่งเร็วไล่อะไรเลยเพราะนี่ผถูชนอยู่มันจะไม่ให้สิ่งนี้เลยมเปไปไม่ได้ก็เราต้องยอมรับความจรงิงโอ้มันธรรมดาแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เป็นความดีความไม่ดีความคิดปรุงแต่นะเป็นของเขาหรือเป็นของเรา ตรนี้ต้องมาแยกความดีความไม่ดีอกุศลอกุศลถ้าเป็นเรื่องของเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราก็แยกพอพอป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเราเราเริ่มแยกออกเขากับเราคือแยกตัวตนเน่อยแต่ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์คนนั้นทําดีก็เป็นทุกข์กับเขาคนนั้นทําดีก็เป็นสุขกับเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยใจสภาวะใจเราอยู่อย่างนี้มันตรอดเดียวละมันสับสนบุ่นมาย ไปยุ่งกับจิตใจภายนอกมากเกินไปในชีวิตประจำวันมันจึงได้เป็นอย่างนี้เพราะเราปล่อยไม่ได้เราวางไม่ได้เราคิดไม่ได้คือจิตตะนกะคิดไม่ได้ไปคิดไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไปแบกเอาไปยิดเอาไปจับเอาเพราะเข้าใจมันเป็นเรื่องเดียวกันพฉะนั้นถ้าเราแยกออกจกัน เ, ออเรื่องเขาก็เรื่องของเอา <c oughs> เรื่องเราก็เรื่องของเราการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวเราเอง กัการดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นเพราะในตัวเรามีเหมือนเขาหมดอ่ะตรงไหนแต่มันไม่มีดีชั่วเคดโทดทํานีเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องเขาเถอะเขาจะชั่วจะดีจะมากไม่รนะู้เขาจะจนเขาจะร่าเขาจะรวยก็เป็นเรื่องของเขามีเรื่องของเราแล้วก็จบ นั้นคำพูดก็เหมันกันเขาจะพูหมูหมากาไก่ก็เป็นคำพูดของเขาเราเขาจะไปเรื่องของเขาบางไม่ได้อ่อนขึ้นนึ่การฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่มีทานที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจที่จะวางได้แต่ถ้าจิตเราเข้มแข็งพอเรามีสติพอเราจะแยกออกนั่นคือเขานะเขาพูดไม่ดียังไงเขาพูดชั่วพูดหยาพูดคลายพูดแย่หารเงี่ยมันก็เป็นคำพูดของเขาไม่เกี่ยวกับเราเขาจะเป็นของเขาเองเขาจะรับของเขาเอง กรรมทายาดูคื อ, คอปเป็นทายาตรับสิ่งนั้นคือเขาจะรับมรดกเองสิ่งที่เขาพูดนะ่ะคือสิ่งเป็นมรดกสิ่งที่เขาทำนะ่ะคือมรดกของเขาสิ่งที่เขาคิดน่ะคือมรดกของเขาเขาจะเป็นผู้รับมรดกเองไม่เรากหกเราเราไม่ใชผู้รับมรดก PUBG. แต่เรถ้าไปแก้มาเขาด้วยไปส่วนดรวงด้วยันลำบากแล้วทีนะี้ไม่ไปตัวเขาเองนะคนเมื่อปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนี้คือคิดไม่เป็น เย็ดเ็ดไม่ได้เย็ดเจ็ดไม่ออกเนะพราะนั่พวกปฏิบัติธรรมมันจะสบายมันจะเย็นเตัวเองจะเย็นเจะสบายเพราะไม่เกี่ยวขอ้องกับใครเลยคือเรื่องการปฏิสัมพันธ์เปกนการหน้าที่ทําหน้าที่ของสัตว์โลกประพฤติบัคคุณปฏิสัมพันธ์กันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาเป็นสู่ตัว เ, เราก็เรื่องของเราอันนี้เรานะอันนี้คือตัวเรานะั่ไม่ตัวเขาความที่เรากับเขานั่นแหละในขณะที่เรามีเราอยู่ เราก็ยังมีอุปาทานอยู่ในเราเนี่ยแหละเรื่องขาตัดออกไปส่วนเรื่องของเราใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆคำว่าเราเนี่ยมันจะตามอะไรเยอะแยะไกมตาของเราหูของเราปากเราแขนยาตาอยู่ของเราหมดเลยเป็นเจ้าของ อ, นนอันนี้เป็นที่มาขอกนการยึดถือและตอนปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าว่าโอจริงๆแล้วเป็นของเราจริงไหมเวลาเรานอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นของเราบ้างัหมไม่มีเวลานอนหลับ ม, ม, มันก็ไปอีกพบหนึ่งคือภาวะคือพบ ค, คือภาพหรือภาพหนึ่งนะั่นเวลานอนมันอีกเรื่องนั่นแหละภาวะจิตของเราเมาื่อจิตออกจะดังมันจะเป็นอย่รรยาง น, นั้นแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยคือไม่มีสติซึ่งตา ข, งขั้นที่มีรูปประฌานอารูปประฌานเขามีสติพระองค์ฌานกําหนดคือรูปประฌานนั่นแหละเรื่องวิตตุวิจารปิตสุขเอกะขะตานี่คือองค์ของ f า h วิโตกคือยกขึ้นมาเช่นคําบริกรรมลมหายใจจวิจาร์มันคือมันก็ละเอียดวิโตกอยากปิติคือจิตมันอยู่กับคำใดคําหนึ่งมันมีอารมณ์ไปอันเดียวมันเกิดปิติมันไม่เคยมีไม่เคยเป็นเพราะสภาวะจิตเราไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งเลยความคิดเราไม่เคยมันอยู่กับอารมณ์มันคิดเหมือนกันแต่คิดเรื่องเดียวที่บอกมาให้คิดเลยเป็นไปไม่ได้ให้มันคิดแต่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ต้องควรจะเป็นเรื่องที่ฉลาดควรจะเเรื่องที่ดี แล้การภาวนาคำเอาคําบริกรรมเนี่ยมันก็อยู่คําริคําที่ดีมันจะเป็นเรื่องที่ดีครียดอยู่ในแล้วองค์ของชานไมตกไม่จา์เกิดคำพิธีขึ้นา่ามันไม่เคยเป็นเลยบกคนขนลกสู้บกคนกันนังตาไหลเกิดพิติขึ้นมาอิบเอิ บ, อ บ, อบนะกับประหลงพิติแล้วจิตมันก็ไปเข้างกับพิธีจมันไปนังก็สุ้มันสบายมันเอาสิว่าปดปล่อยมันผ่อนคลาย ม, มันไม่ตึงเครียด มันไม่เคยเป็นมาก่อเนีร่างกายมันมันคลอนคลายมันสบายสุกัสสุตกวิจญาณวิติสุขเอกขตาเพราะว่ามันอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันอันนั้นนะหรือเอกขตารม์คืออารมณ์อันเดียวอรก็ได้ให้อยู่ในสภาพอย่างนี้หมายว่ากำหนดเมื่อไหร่ก็ตามกำนดก็คือกำหนดลมหายใจคําบริกรรมจะเกิดความสบายแล้วก็ค่อยปล่อยถอยถอยถอยไปเรื่อยๆตามองค์ชานนั่นเอง แล้วต้นจากวิตกวิจารปล่อยวิตกได้คือไม่ต้องเลยแค่กําหนดใช้ว่ากําหนดเช่นกําหนดอุทวธรรมบางก็คำกำหนดมันก็หายไปวิตกวิจาร ท, ที่ไปตึกไปจองอย่างอื่นที่ไปต่อบความอยากสารมันมีมันปล่อยพูวยไงคือมันปล่อยตัวนี้ได้วิจารปิติแล้วก็ปล่อยปิติสุขะก็ปล่อยสุขะอย่านงนั้นมันก็จะติดติดข้องของ้ข อ, งของไปเลยปิติสุขะ เอกกัจารมนี่คือองคของฌานก็ทําอย่างนี้ถอยไปถอยมาถอยไปถอยไปเป็นหนึ่พุทเจเราก็ใช้ระยะกประวัติเขาใช้สิ่งเหล่านี้เวลาที่ท่านพักคือพักจิตท่านก็ใช้อย่างนี้จิตท่านจะมีกําลังหรือท่าจนจะมีพลังหมายความว่าถ้าอยู่ในอารมณองฌานคือมีสตินด่างกันแต่ถ้าเป็นอัปปนาในพักเลยมือกันหลับไปเลยมันไม่รู้เรื่องข้างน อ, อก คือมันไม่รับรู้ข้างนอกพูดงายมันไม่รับผัสสะข้างนอกมาอธิบายไม่ได้มันไม่รับได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเข้าใจว่าการเกิดขึ้นการนั้งและการดับไปสุดท้ายก็พิจารณาเรื่องใจรักว่าสภาวะอย่างเนี้ยมันเกิดยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงก็จำสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายสภาวะทั้งหมดทั้งมวลของสัตว์ทั้งหลายสัตเพสัตา์ในโลกนี้มันอยู่ในสภาวะอย่างนี้ มันอยู่ในวงจรอย่างนี้มันอยู่ในกรอบมันอยู่ในกฎนี้เหมือนพระอาทิตย์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขึ้นตั้งแล้วก็ลงประมาณนี้แต่มันก็มาใหม่อยู่อย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงเราก็รู้ว่าออมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจิตก็เป็นอย่างนี้สภาวะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดขึ้นเรามันก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อรู้เสร็จแล้วมันก็เกิดเร็วดับเร็วมากว่รู้เร็วดับเร็วสติปัญญามันก็ค่อยเข้มข้นมากขึ้น จะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัจจัยสุดท้ายก็จะรู้ว่าโอรูปสํากัดอย่างไรนามสําคัญอย่างไรสุดท้ายเมื่อรูปนี้อยู่ไม่ได้มันเลยแต่นามนามมันจะเอาอะไรมัไปเกาะคือจิตมันก็ไปเกาะถ้าจิตน้าจิตไม่ดีก็ไปพึ่งคนไม่ดีพึ่งคนไม่ดีมันจะเป็นยังไงคือเวทนาถ้าเวทนาไม่ดีสัญญาก็สัญญาไม่ดีไปพึ่งของไม่ดีแล้วมันจะเป็นยังไงสุดท้ายสภาวะสัตว์ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าจิตที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยผ่านกระบวนการเหล่านี้เลยมันจะเป็นยังไงภาษาเราง่ายๆก็คือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่มีพื้นฐานสิงเหล่านเลยจิตมันก็จะไปยังไงมันก็แต่ตามภูมิที่เราท่องนี่แหละตามภูมิตามชั้นตามความละเอียดข้างควาอ่อนของจิตตามความหนักความเบาตามความฉลาดตามบุญตามบาปของตัวเองพูดง่ายบาปนี่ของหนักของหนาของหยาบของหนักมันก็ตกลงตัน ธรรมดาเบาๆหน่อยก็อยู่ในดับมันเราถ้ามันเบาที่สุดก็ไปที่สูงนี่คือจิตเนี่ยถ้าจิตเราหนักอย่างเงี้ยโอ้มันไปไหนไม่ได้นะมันจะเกาะธาตุสี่กันห้าไว้นั่นไม่ปล่อยไม่วางสักเรื่องเลยก็วางไม่ได้นะีโอหนักนะแต่ไม่เป็นไรหนักยังไงถ้ากลับมาอีกทีก็ขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์กลับมาที่เป็นพบที่มีกันห้าดีที่สุดสรุปง่ายๆคือพบ ระหว่างแตกต่างยังไงขันสี่ขันห้าขันหนึ่งต่างกันยังไงขันสี่กับขันหนึ่งมันต่างกันห้าตรงที่ว่าขันห้านี้บริโภคการอยับหยาบธรรมดานูดยังไงไม่ใช่บริการตามคือใช้บริการรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนธรรมรมอันอันนี้คือขันห้าอย่างพวกเราหยับยาส่วนขันสี่นะเขาแค่นึกเอาเองก็สําเร็จแล้วส่วนขันหนึ่งแค่อธิษฐานเอา ปรสบเสร็จล้วสเสร็จด้การอธิษฐานแต่เขาจะมีพลังมากนะพลังจะก่อแต่งวิญญาณคืใช้พลังนี้กระจากสมาธินี่ก็ฝึกฝนกันมานานแต่มันก็ยังติดแค่นั้นไปสวยอารมณ์ไปสวยอารมณ์ก็คือสวยสีตัวนั่นแหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นพบที่เขาจะไปก็คือสตัวนี่แหละตามชื่อนี้ก็คือพระจิเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือสีตัวแต่เป็นรูปละเอียดที่มันจิตมันจะไปผิดไ้มันรู้แต่แต่มันก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะมัรู้พูดง่ายก็ยังมีอัดตาอยู่แต่มันละเอียดของอัตตามันลดหลั่นไปอย่างพวกเราอัตตาของเราดีหยาบมากผมบอกว่าหยาบมากแต่อิงเรามาขนาดกลางกางมันก็ละเอียดจนเหมือนไม่มีอะไรเลยบางทีบางที่ผมแปลาจิตของสภาวะอย่างนั้นกว่าอาจารย์เราเคยเป็นเยอะแยะมากมาย ตัวอย่างเช่นหลวงปูเทพอยู่ในสภาวะอย่างนี้ก็เหมือนกัมันไม่มีอะไรแล้วไม่ติดไม่คล้องไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆเหมือนกับมันวางอะไรได้หมดแล้วจน ม, มันไปโไปบอกประกาศประเทศบุญอนไม่ใช่นะเพราะจิตมันไปข้องอยู่ตรงนั้นแหละมันถึงไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามง่ายๆก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ยทําไมเราไปเห็นรูปแล้วเราจะทํายังไงต่อก็อวางรูปอย่าไปอยู่ที่รูปให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ ในสิ่งที่เราหูเราเห็นก่อนให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจมืนก็เข้าใจกระบวนการของมันเข้าใจโอสุดท้ายมันก็เกิดดับเหมือนกันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นแต่ถ้าเห็นแล้วก็ยังติดยังข้องอยู่นะมันก็ไปติดที่รูปอื่นหรอกว่าจะเป็นนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นก็ตามกลิ่นนั้มเข้าไปข้องอยู่ตรงนั้นมันวางไม่ได้ก็มืนกัรูปรรประชานกับรูปประชานมันวางไม่ได้วางพิติสมมติเกิดพิธีจะทำยังไงต่อเนะ มันวางปิติไม่ได้ไงจิตมันไปอยู่กระ้องกับปิติไงเราต้องวางปิติผมก็จะไปต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราทําชํานาญจนเข้าใจนี้การปฏิบัติของเราจะเป็นเรื่องที่มันเพลิเพลินสุ ข, ขัะคือสะดวกสบายรื่นเริงเรียกวบันเทิงในธรรมปฏิบัติแล้วมันมีความสุขควสบายมันชอบมันไม่เครียดมันไม่ตึงมัน ชั่วโมงสองชัง่วโมงครบาอาจารย์ท่านนั่งท่านไม่ได้นั่ ง, รงเราอกว่าตายพุทโธตะวันตกเสร็จบไม่ใช่นั่งเสร็จแล้วก็ยกจิตขึ้นมาพนะิจารณาให้รู้เห็นนะ้เข้าใจทาสี่ขันห้ากันสี่ขันหนึ่งให้เข้าใจโดยละเอียดว่าอะไรคืออะไรอะไรจะคนเอาอะไรไม่ควรเอาอะไรคน ว, วางท่าน ก, ก็จะอยู่อย่างนี้ท่านพักทา่านคุระวางหมดเลยท่นก็ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นกําหนดลมหายใจเข้าท่านใจเป็นกลางว่างๆที่เจอก็พักเหมือนคนนอนหลับ พอตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาก็มาว่าจิตถอนขึ้นมาอีกคือมารับรู้อุปจาร ะ, ระคือมีสติรับรู้แล้วพอพิจารณาต่อเจิตมันก็จะมีกำลังไปแต่พิจารณาแต่พึ่บตเพื้นจิตมันก็มีกําลังมันเหนื่อยมันเหนื่อยเป็นเหมือนเราเนียทํางานเยอะๆโดยไม่พักเลยมันเหนื่อยร่างกายมันเหนื่อยเอางี้ทำงานก็ต้องพักโดยใจก็ตามแต่ละวันนั่งก็ตามนอนก็ตาม สุดใจแล้วนอนจะดีที่สุดเพราะมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับภายนอกมันยุเกี่ยวกับภายในของเราปุ๊บนี่ก็เหลือแต่ขันสี่ถึขันห้าที่มีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้คือมาตาอะไรคนตายนั่นแหละเออคอยช่วยหน่อยพอตื่นขึ้นมาคือมีสติรับรู้ภายนอกผัสสะกระทบมันเกิดเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเคยรับรู้นะก็เกิไปติดข้องอยนี้รับรู้เมนะื่อไหร่เราก็ไปข้องกับเวทนาทันทีมันวางไม่ได้ไปรู้เอออันนี้คือเวทนานะ เวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ไมี่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เราเจ็ดที่ท่านฝึกเนี้ยท่านจะพิจารณาต่อทันทีแล้ววางได้ทันทีซึ่งต่างกับพวกเราเพวกเราเม่อเวทนาเกิดขึ้นว่าจะเป็นสุขกระตามทุกกระตามหรือเฉยๆกระตามกม็อยู่กับมันอย่างนั้นอ่ะคือฆ่ามันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนมันก็กีทีมัวกับมันมันก็ฆ่าไม่ได้น่ต่างกับท่านก็มีสติปัญญาดีแล้วฝึก่แล้ววางรู้แล้วก็วาง วามันก็ไปต่อได้เพราะวางเสร็จมันก็เบาคนไม่คล้องมันไม่เกาะได้สิ่งเล่านั้นแต่ของเรานี้ต้องผ่านการฝึกอบรมพัฒนาอย่างจริงจังเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานถึงจะเป็นได้ไม่ใช่สักแต่ว่านึกคิดอันที่สองันที่สามันไม่ใช่เพราแสดงว่าเราต้องเพียรพยายามสร้างฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่บ่อยๆอยู่สมออย่าประมาทว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายๆอย่าประมาท ไปเมื่อไหรไม่รู้ตอนนี้กลับไปบ้านนอนแล้วมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่กลับมามันลําบากนะมันลําบากลำบากยังไงะมันยังไม่พร้อมมันยังไปคล่องอยู่คล่องก็คือสัตางนั่นแหละมันจะไปคล่องในเสียงเรานี้อยู่มันก็ไปจิตุไปเกาะอนสิ่งถึงแม้แค่สี่ตัวก็ดีแต่มันก็ยังมีรูปอยู่แต่ว่ารูปละเอียดรูปที่เกิดจากมโนคือใจมันนึกขึ้นมาเรียกมโนภาพมันก็อาแสสนั้นหละไปอม มันก็จะลำบากแล้วแล้วถอนปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในขณะที่เราเนี้ยเรียนรู้ศึกษาเข้าใจอย่างเข้มข้นแล้วพยายามเบื้องต้นเอาสิ่งที่ดีที่สุดคมขูเข้าไว้ของครูตัวเราจริงจังแล้เเอามารูมันว่าสิ่งที่ดีที่สุดบอกมันเลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าพระตนาจรัยคือสอนจิตสอนใจใมันให้รับรู้ให้รับทราบอย่างนี้ เพราะนอนั้นพึ่งอะไรไม่ได้นะสิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตนีย่ยพึ่งอะไไม่ได้เลยสิ่นเหล่านี้คือพระรณะใจคุณของพรุทธเจ้าคุณของพระตามคุณของผู้ชมพึ่งได้สอจจินน์เนจิตมันก็จะรู้จิตมันก็จะทราบอืสอนเสร็จแล้วทําความดีนะไม่ใช่แค่พึ่งอย่างเดียวไปเกาะไปใส่กัอื่ น, นทำตัวเองให้ใกล้เคียงปฏิปทาของคุณพรุทธเจ้าคุณของพระรายะสงฆ์จริญรอยตาม มากน้อยไม่ป็นไรทำให้เป็นนิสัยทำใหเป็นบารมีทำให้บ่อยเยอะทีนี้มาจัด ก, การระเบียบความคิดการพู ด, พดการกระทํากลรมมาที่เดิมเอามาใช้กับความคิดของเราคิดให้เป็นระบบคิดให้เป็นระเบียบคิดให้มีเหตุคิดให้มีผลและคิดที่ยอมรับความเป็นจรงิงทุกวันเราไม่เป็นอย่างนี้คือคิดแล้วมันไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยเหตุมาเกิดไม่เอาผลไม่เอาความจริงมันไม่เอ า, า, เอาสุดท้ายก็คิดไปเรื่อยๆ ก็แบบไม่มีระบบราะนั้นเป็นชฤษคือคิดแบบมีเหตุมีผลคิดแบบคือคิดแบบมีมีผลคิดไปเรื่อยๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันอย่างที่คนทั่วไปมันคิดเรื่องออกเลยนะออกน่ายไปวันมันเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเรื่องพันเรื่องนี่เรื่องมันมีเหตุผลมันต้องมีผลมารองแล้วเอกคิดอีเพศหนึ่งคิดแบบมีเหตุมีผลคือมันมีที่มามีที่มาของมันมีเหตุมันจังมีผลแต่เหตุผลมันเป็นความจริงไหมก็เอาความจริงเป็นที่ตั้งเลย ก็ยอมรับความจริงอันนั้นได้เนระาอยู่ด้วยเหตุผลและก็ความจริงสุดท้ายความจริงอันนี้แหละเป็นคือประจักษ์ของพวกเราทั้งหลายเป็นคำจุนให้เราเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราเข้าถึงความจริงผูจริเราสอนเป็นสอนให้เราเข้าใจความจริงคืออริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างคือทุกทุกนั่นคือผลสุโมทัยคือเหตุ ทุกสมบัติดีโรดทํายังไงที่มันจะดับหรือจะหมดไปมักคือวิธีวิธีการผู้จําเราบอกหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนละเอียดละออมากเลยชี้แจงแสดงว่าเอามันผลเป็นอย่างนี้นะผลเป็นมักเพราะมีเหตุเหตุเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเหตุผลมันจะดับไปคือดีโรดมันถึงจะดับไปต้องทำตรงนี้ทำมันมันรีโรดนะมันดับ ถ้ามีมเหตุมีผลนี้มันไม่ดับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่วิธีดับทางเดินคือมักคือหนทางหรือปฏิปทาเนี่ทางการดำเนินชีวิตในทางการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะบอทางเดินมีอย่างเดียวนั่นคือศีลสมาธิปัญญาภาษาเราง่ายๆกันนั้นศีลปัญญาศีลปัญญาเปนตัวกําจัดอะไรมันจัดจัดระบบความคิดคําพูดการกระทําของตเราเองนี่แหละแล้วเรานั่งปฏิบัติปุ๊บนี่ ไม่ต้องไปพูดเรื่องเรื่งองความพูดกับการกระทําเพราะมันยุติทันทีมันมีผลไม่มีผลทางกายทันทีวาจาถ้าเราหยุดเนือตอนนีมน้มันเป็นศินทันทีกายก็เหมือนกันเพราะนั้นสินตัวนี้เป็นสินทันทีแล้ว น, ะนี่คือเบื้องต้นแล้วนะเบื้องต้นของการปฏิบัติแล้วศินคือกายกับวาจาสมาธิจดจ่ออันนี้คือทางเดินมันก็จะเลยกสินไปละเลิกแต่มสมาธิสมาธิมันมั่นคงไม่มั่นคง มันสงบมันไม่สงบมั น, นอยู่ตรงนี้นแหละก็ต่อสู้กันจนเกิดปัญญาคือโอแจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงในเรืองขทางถ้าถึงปลายทางเมื่อไหร่เราจะเข้าใจเองปัญญามันเกิดแล้วปัญญาในนิมินเกิดเกิดเกิดรู้จักอะไรรู้จักกันห้านี่แหละถ้าสี่การห้าการหนึ่งกันอะไร้า้เข้าใจเลยอย่างอ่อนอยางแค่จริงโอมันจะแยกออกแยากกายแยกจิตคืออันนี้ป็นเรื่องของกายหรือของจิตหรือประคันหรืออริยนะตะะ จิตก็คือจิตกายคือกายขันคือขันมันียกออกอย่างนี้เรเข้าใจอย่างนี้แล้วบอกจิตมาออกใจได้มันก็หนดมันวางขันนี้ได้คือทําใจได้คือพร้อมที่จะไปถ้ามันไปได้กลับไปเพราะยังไงมันต้องไปหนึ่งมันต้องไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความพร้อมเราไม่มีควาใจมันจะเกิดความกังวลความกังขาความวิตกความกลัวเรียกว่าภัยภัยอย่างนี้คือมรณะภัยภัยคือความตาย แต่กลายเป็นความกลัวไปแทจีเรื่องมันเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนพระอาทิตย์มันขึ้นมันชั่กลางมันกลางวันมันก็ตกไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไปกลัวพระอาทิตย์มันตกแต่นี้ง่ายๆแต่เวลามันเดี๋ยวมันไม่คิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เราไม่คิดอย่างเงี้ยเหมือนก็ตายเสร็จแล้วเราไปกลัวมันตายเพราะไม่มีหลักประกันอะไรเลยกลายเป็นความกลัวไปเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัว ถ้าตายแล้วมาใหม่ดีกว่าเก่าจะเป็นกลัวทําทไมแต่ที่จริงที่กลัวก็คือมันมีอะไรแน่นอนตายแล้วผูจะเป็นอะไรก็มาดูเอา้าอยู่ที่การกระทำของตัวเองในจิตเองมีชีวิตอยู่ทําอย่างไรทําอย่างไรก็จะได้ยอย่างนั้นก็เป็นผู้รับมรดกเม่อาทิตย์พูดมาตั้งแต่ตนน้นเราก็จะเป็นทายาทผู้รับมารดกมรดกที่เกิดจากความคิดเกิดจากกาพูดเกิดจากกระทาของตัวเองนั่นแหละผู้ที่รับมารดกคือจิตของเราเนหละ เพราะนั้นถ้าทากกํามรรคมันเป็นดีเราก็เป็นผู้รับมรรกที่ดีก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมีบุญมีบาปเดาขาดทุนมีกําไรก็อยู่ที่วิธีคิดอันนี้แหละนั่นอันนี้คือสารธรรมสำหรับฝากพวกเรานะครับคือวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปพนจิโกคือน้อมกังตัวเองเราก็จะเข้าใจรู้ยิง่งเห็นจริงเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละหลัง ตอนนี้เข้าใจเปลียนแค่นี้นิดหน่อยคุณให้ทำอีกก็เข้าใจในอีกระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นเบื้องต้นกระจายขึ้นกระจายขึ้นค่อยๆปล่อยปล่อยเหมือนที่ปล่อังครับอไม่ตกไม่ใจไมทติดสุกใดกระดัมันก็วางวางวางวางวาไปเรื่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยวางคือวางทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปล่อยค่อยวางสิ่งที่เรายึดสะรูถมันกระจายค่อยๆลดน้อยถอยแล้วมันก็ค่อยเบาบางลงไปคือทำได้ไม่ถึงที่สุดเลยก็ขอให้ อย่างน้อยก็คือเบาบางลงก็ยังดีอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความมีจุดหมายปลายทางไม่งั้นชีวิตเราจะมจมาไ ม, ม่มีจุดหมายใดเลยเมื่อมีชีวิตมีจุดหมายก็มีความหวังไม่ได้ขาดหวังอะไรว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป้าหมายเรามีอยู่แล้วนี่เราก็จะเห็นว่าเออเราใกล้เป้าหมายเข้าไปแล้วนะมากน้นอยไม่เป็นไรกว่าให้เราใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเป้าหมายของพุทธเจ้าที่บอกคือนิพพานหรือความดับโดยมิเหลียวโดวยประการทั้งปวง ก็ขออนุ น, น, นาความดีที่พวกเราทั้งหลายที่ทั้งจิตทั้งใจจากบ้านจากเคืองมาต่างอําเภอต่างแก้อุตสาห์มาเพื่อโอปนญญายิโกฟังกันว่าความเพื่อจะเป็นแนวทางเป็นหลักคิดหลักพูดหลักทำเรียกว่าคิดก็มีหลักพูดก็มีหลักทําก็มีหลักถ้าไม่มีหลักแล้วเมืนโวควายโวควายถ้าเราปล่อยสมมติให้มีเชือกเราปล่อยทำชาติมันก็ไปไม่ เ, เพื่อให้มัน แต่ถ้ามีหลักคือมีเชือกปูกไว้กับหลักมันไปจริงแต่มันก็จะวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆหลักเรียกว่า ค, คิดมีหลักนี่เหมือนกันถ้าเราคิดพูดทํามีหลักเีวหลักการมันก็ไม่ไปไกลเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดียวคือคิดได้นึกได้คือสติเพราะนั้นป้าหมายปลาทางเราต้องการให้เรามีสติให้มากที่สุดเพ่อทีท่มากได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ดีรู้กันเกิดรดับเร็วเท่าไหร่ของทุกเรื่องว่าจะเป็นการดีที่สุดจุวนี้ถือว่าเรากําลังฝึกกำลังทำกำปฏิบัติ อยู่ก็พยายามโดยเฉพาะคือคของเพีเยีอยวกไปยอ่อท้อจะ่ไปคิดว่าโอ้วันนี้มันก่อนทำมาเยอะแล้ววันนี้ไม่ ไ, มได้อย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างน้อยสามปีห้าที่สิบปีก็ออยังดีจะไปปล่อยตัวโอไม่ได้ขี้เกียจตา ม, มากิเลศน้ำหน้าจนะเป็นความหวังความสมเร็ุลอยู่ขนาไม่ต้องพูดถึงนะว่ากิเลศมันนำหน้า มันไม่ดีส ร, รนะันภาวนาก็ขออนุโมทนาความดีที่เราทั้งหลายในวันนี้ควาบุญกุศลความดีนี้จนเคร่งปฏิบัติรักษาพุ่งมวเดยท้งหลายใหย้มีความสุขกับเจริญอยู่ในโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ในธรรมก็เจริญแบบธรรมือเจริญทั้งสองก็เจริญทางอางรมด์และทางธรรมทุกคนทุกบันเท อ, อ